ระหว่างที่เครารพค่ะท่านกำลังฟังรายการสันนิษฐานสนทนาอยู่ทาง FM ฟเอร้วิทยุครอบครัวข่าวและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติวันนี้ถึงเวลาที่จะได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ไพล์บุญอภิปุญโญช่วงเวลาที่เรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธว จ, จะนะค่ะนวสการกับทั้งคะ่ะอาจารย์คะเรื่องเด็กควนหลงจากเมื่อวานนี้เป็นห่วงเวลาที่ก็พูดถึงเด็กกันเยอะนะคะอ่านแล้วชอบใจคะ่ะ แล้วก็อยากจะเอามาเล่าให้ท่านอาจารย์ฟังตลอดจนท่านผู้ฟังด้วยก็คือเป็นกรณีที่นังสืบพิมพ์มติชนเขามีบทความลงเอาไว้คนเขียนชื่อคุณนริ์นะคะก็บอกว่าไปเจอกิจกรรมที่เยาวชนเนี่ยได้รวมตัวตั้งโครงการนักสืบสิ่งแวดล้อมขึ้นมาที่จังหวัดศรีสะเกตนะคะตำบลอิเซกิ่งอำเภอโพศรีสุวรรณเขาบอกที่นั่นมีปลาชุมชน ที่ใหญ่พอสมควรชาวบ้านเขาก็ตั้งกรรมการขึ้นมาดูแลกันแต่ปรากฏว่ากรรมการระดับผู้ใหญ่ที่เป็นชาวบ้านเนี่ยนะคะดูแลไม่ค่อยได้ยังมีคนละเมิดกติกาสร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอพอเด็กๆ เ, เขาตั้งกลุ่มเงนขึ้นมาเขาประสบความสําเร็จสามารถหาสาเหตุที่ทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้รวม11ปัญหาด้วยกัน mm hmm. แล้วเขาก็ส่งต่อให้อบตอไปดําเนินการ <Yeah. S 1> คุณนริศเนี่ยได้คอมเมนต์เอาไว้ว่า ดูเผินๆมันก็ไม่มีอะไรมากแต่ถ้ามองไปลึกๆ ก, การทํางานของเด็กเยาวชนสร้างผลกระทบต่อผู้ใหญ่ที่ได้ระเบียบในตําบลได้นะครับก็คือเขาอายเด็ก <c oughs> <c oughs> เห็นเด็กทําผู้ใหญ่ก็เลยอายเด็กไม่กล้าทําผิดกติกาของชุมชนกลัวจะสู้หน้าเด็กๆไปไม่ได้แล้วเขาก็สรุปสุดท้ายว่าเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับผู้ใหญ่คือทําดีเนี่ยอย่าอายคนที่ควรอายคือคนที่ ทำไม่ดีถูพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องนี้นะว่าการละอายต่อบาปการละอายต่อความไม่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถทําให้ถึงมิมูดได้ย่างนั้นเลยเหรอคะมีฮีริโอตับปาไงค่ะพอมีฮีริโอตับปะแล้วเนี่ยก็จะสำรวมบินทรีย์พอสำรวจบินทรีย์กายวาจาใจก็จะบริสุทธิ์กายวาจาใจบริสุทธิ์ก็เป็นผู้ไม่ฟุง้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านก็จะมีสมาธิมีสมาธิก็เห็นพร้อมได้ตามที่เป็นจริงอ๋อค่ะคือเป็นความละอายต่อบาป ใช่ละหายต่อบาปกลัวต่อความผิดอย่างนี้ค่ะปลาลบเหตุอะไรก็ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเรากลัวต่อบาปนึกถึงเด็กคนนี้แล้วเรากลัวต่อบาปก็ได้เหมือนกันทีนี้บาปกดความผิดธรรมดาทั่วไปเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่ามันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างนี้แ<ห>สดจากการเ<ง>บียดเบียนไงคใครถูกเบียดเบียนบ้างแต่ถ้าไม่มีใครถูกเบียดเบียนดีแล้วอันนี้ไม่เป็นบาปจาะอ๋อการพยาบาทเบียดเบียนค่ะดูจากการเบียบดเบียนใช่ก็ ดูเหมือนกับพิจารณาง่ายเหมือนกันนะคะดังนั้นจงเป็นผู้ที่มีความละอายต่อบาปเพื่อที่จะได้เป็นปฐมบทแห่งการเริ่มต้นของการที่จะก้าวไปสู่การหลุดพ้นเลยพภูมิมุดนะคะท่านอาจารย์คะเห็นบอกว่ามีคำถามส่งไปที่เว็บไซต์อาจารย์เพียวธรรมะ o com 1 0 6ค่ะว่าศีลบริบูรณ์ข้อนี้พอเข้าใจขอรับสมาธิบริบูรณ์ลราเป็นยังไง ปัญญาบริบูรณ์โดยความหมายแล้วแปลว่าอย่างไรแต่ละอย่างมีกี่ประเภทกี่ขั้นถึงจะเรียกว่าบริบูรณ์ขอรับกระผมพยายามหาข้อมูลเกี่ยวข้องแล้วไม่มีเลยอ่านเจอในบทธรรมะที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่เข้าใจค่ะคงต้องรบกวนท่านอาจารย์โดยตรงนะคะอันนี้พระรุชาตรัสไว้เกี่ยวกับรเรื่องสีลสมาธิปัญญาว่าถ้าคนมีศีบริบูรณ์นะปัญญาสมาธิกับปัญญายังไม่บริบูรณ์เนี่ยก็เป็นโสดาบันใช่ไหม ถ้ามีศีลสมาธิบริบูรณ์แต่ว่าปัญญายังไม่บริบูรณ์อันนี้เป็นอนาคามีแต่ถ้าศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์หมดทุกอย่างก็เป็นพระอรันทีนี้ว่าผู้ที่ถามคําถามยังไม่เข้าใจว่าศีลบริบูรณ์หมายถึงอย่างไรสมาธิบริบูรณ์หมายถึงย่งไรเขาบอกเขาพอเข้าใจแล้วสําหรับศีลนนท่านค ะ, ะแต่ทีนี้เผื่อท่านอื่นยังไม่เข้าใจ วิสีนบริบูรณ์ก็ศีนมีสารพัดเลยนะคะสีลห้าสีลแปดสีนใช่ไเยอะๆขึ้นไปค่ะโดยพุทธวจนะเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบสีนสมาธิปัญญาเนี่ยกับมรรคมีองแปดแปดเนี่ยเป็นสองก็ได้ใช่ไหมแอบแปดเนี่ยเป็นสามก็ได้ก็คือมรรคมแปดเปลี่ยนเป็นสามคือศีนสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นเราจับเลยเอาศีนเลยก็คืออะไรวาจาชอบการงานชอบอธิวาชอบอ๋อไปจับในอริยมรรคมีองค์แปด ดูเลยปากเราพูดเทสไหมพูดแตกกันไหมพูดอย่าพูดเพอเจอร์ไหม <anca. S 1> การงานชอบเราฆ่าศาสถือเอาทัพอันเจ้าของไปได้ให้ไปพฤติปิดในการไหมใช่ไหมอาชีวะชอบเธอละมิส า, าชิมิสาชีพไหมอาชีพอะไรนะไม่ใช่ว่าอ่าเป็นการขายหรือการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ต้องต้องใช้พูดโกหกการต่อลาบด้วยลาบพูดยุให้เขาใช้จ่ายมากอันนี้เป็นมิสาอาชีวะหมดอืมค <anca. S 1> ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสีนบริสุทธิ์ เนี่ยสบริบูรณ์มาธิบริบูรณ์คืออะไรสมาธิบริบูรณ์ก็ถ้าจับด้วยมาร์กมีองศาต่อคือสัมมาสติกับสัมมาสมาธิอ่าเพราะฉะนั้นก็คือมีสติกับมีสมาธิอย่างที่พระพุทธเจาบอกเนี่ยก็คือในระดับของชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามหรือชั้นสี่ก็ได้นะความระลึกชอบคือสัมมาสมาสัมมาสติเนี่ยก็มีสติอยู่ที่ไหนล่ะลมหายใจนะอย่างที่ท่านอาวุโสมาร์กได้ นำปริบัติในช่วงต้นใช่ไหมให้มีสติอยู่ในกายอย่างนี้เป็นต้ น, นเวทนาจิตหรืออรรมก็ได้มีสติแบบนี้เป็นสมาถสตินี่คือสมาสมาธิบริบูรณ์ค่ะทีนี้ปัญญาบริบูรณ์เป็นยังไงมาถ้าดูตามหลักมรรคแตงก็คือว่าเอาไงเห็นตามที่เป็นจริงว่าทุกสมุทัทยนิโรธมรรคเป็นอย่างไรนะมีความคิดมีความดํำริในการออกจากกามความดําริในการไม่พยาบาท ความนเลิกในการไม่เบียดเบียนทําให้บริบูรณ์ค่ะทําให้บริบูรณ์ก็คือว่าทําอยู่ตลอดเวลาทําเป็นปกติค่ะมีสติอยู่ตลอดไม่พลาดเลยอย่างนี้ก็คือสรุปแล้วเนี่ยศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์อันนี้ไม่ใช่ทําแล้วได้ผลเล็กเลยคือถ้าบริบูรณ์ครบทั้งหมดก็บรรลุได้อีกเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเนี่ยเพราะว่าถอดรหัสมาจากอริยมรรคไมโอ่งแปะ ก็อันนี้เป็นเอาพุทธพัจนะมาอธิบายพุทธพัจนะาเองค่ะทีนี้ท่านที่เพิ่งฟังใหม่ๆก็อาจจะยังต้องขอเข้าใจละเอียดอีกหน่อยทนานะคะเราคงจะต้องบอกว่าให้ไปทำความเข้าใจในมักแ8ก่อนว่าประกอบด้วยอะไรใช่ไหมคะแล้วมักแ8นั้นคือหนทางแห่งการพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาถูกต้องถูกต้องก็เป็นทางดาเนินให้ถึงความดําไม่เหลือแห่งทุกข์ ใช่ค่ ะ, ะดิฉันพยายามที่จะให้คนฟังครั้งเดียวแล้วรู้เรื่องไปเลยค่ะท่านอาจารย์คะคือปัญหามีใช่ไหมค่ะปัญหามีอยู่พุทธิย่าบอกว่าปัญหามีเนี่ยจุดที่ดับของปัญหาเนี่ยก็มีค่ะวิธีจะไปถึงจุดดับปัญหาเนี่ยเราต้องมีทางแก้ค่ะทางแก้ที่พุทธิย่าบอกเนี่ยคือมรรคแปดมรรคแปดคือทางแก้ค่ะเพราะฉะนั้นเรามีโซลูชันอยู่แล้วคือทางแก้ไขปัญหาคือมรรคแปดพูดย่อยๆก็คือศีลสมาธิปัญญา เพราะนั้นถ้าคุณปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมด้วยระดับไหนก็แล้วแต่ทำเท่าที่ทําได้ใช่ไหมก็จะได้ผลตามเท่าที่ความพยายามของตัวเองค่ะแล้วก็ดิฉันขออนุญาตที่จะเสริมท่านอาจารย์นะคะเพราะพยายามเดาใจให้คนฟังเข้าใจมากที่สุดว่าที่ท่านอาจารย์พูดว่ามรค8คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองก็คือเหมือนกับว่ามรคแปดมีอยู่8องค์ใช่ไหมคะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอะไรเรื่อยไปเนี่ยนะคะสามารถจะมาสังเคราะห์ ออกเป็นศีลถ้าศีลนี่ก็แบ่งเป็นาสามข้อใหญ่ใช่คือเรื่องสัมมาวาจาสัมมากรรมตตาสมาชีวะเป็นศีลค่ะแปเป็นเรื่องคำพูดเป็นเรื่องของการงานเป็นเรื่องของอาชีพใช่นะคะที่จัดว่าเป็นส่วนของศีลที่อยู่ในในมรครคนั้นถูกต้องนะคะแล้วก็ในส่วนอีกสองข้อสมาธิก็จะแบ่งออกมาอีก2สัมมา<ช>ก็คือสัมมาสติและสา ม, มาสมาธิและสัมมาสมาธิก็เป็น<ช> 5้า พอมาถึงเรื่องของปัญญาบริบูรณ์อันนี้เป็นอีก3าตรงไห น, นคะท่าความเพียรด้วย เ, เรื่องสมาธิมี3อย่างคือสัมมาวายมะความเพียรชอบสัมมาสติและก็สมาสมาธิอ๋อค่ะก็เป็นหกหแล้อ<บ>ีกสอ<บ>งแล้วอีกสอง ก, ก็คือเรื่องของปัญญาปัญญาที่เป็น อ, อยู่ในมรรคแปดเนี่ยก็คือเรื่องของสัมมาพิธิแล้วก็สัมมาสังกัปปะค่ะชอบความดาริชอบค่ะ นะคะส่วนอันนี้ค่ะจะทําให้เราเข้าใจมากเข้าว่าจริงๆแล้วพระพุทธองค์เนี่ยพยายามที่จะให้คนในแต่ละหมู่แต่ละเหล่าเนี่ยสามารถทําความเข้าใจได้ง่ายแล้วแต่ว่ า, าจะเข้าใจตรงไหนง่ายกว่ากันใช่ใ ช, ใชค่ะอันนี้เพระฉะนั้นถ้าเราอยากจะทราบรายละเอียดว่าเอ๊ศีลเป็นยังไงอ่าดูในมรรคแปดสข้อนี้เอ๊สมาธิเป็นยังไงอ่าดูในมรรคแดอีกสข้อนั้น เออแล้วปัญญาเป็นเหนก็ดูในมัคแปดอีกสองข้อที่เหลือท่านอาจารย์คะจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าดิฉันจะกล่าวอย่างนี้จะถูกไหมคะว่าจริงๆแล้วสมมุติว่าเราเกิดมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราก็เป็นคนมีเวลาไม่เยอะแต่เราอยากจะเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราพ้นจากความทุกข์เนี่ยนะคะเรามาสนใจในอริยศาสต ร, ร์ข้อที่สี่เลยคือมัคอย่างเดียวเลยได้ไหมคะแล้วก็ลงมา ใ, ในรายละเอียดใช่เพราะว่าทางออกเนี่ยคือทางแก้ปัญหาคะ่ะ เรารู้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งในอริยสัจสี่ก็ได้ก็พอแต่ถ้าเราจะสนใจมรรคแปดอย่างเดียวก็ได้เลยดีมากเลยก็คือมรรคแปดก็จะว่าไปเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในอริยสัจสี่เช่นเดียวกันก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นข้อที่สี่ใช่ไหมคะทีนี้มรรคเนี่ย 8ข้อที่ท่านบอกว่าพอมาพูดแบบยอดถ้าเหลือสามมคือศีลสมาธิปัญญาแล้วเราก็พยายามกรุ๊ปิ้งให้ดูว่าจัดเป็นกลุ่มๆอย่างไรกับถ้าเป็นสองคือสมถาะากับวิปัสนาใช่ไหมคะต้องอันนี้เนี่ยเราเอานำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เลยถูกต้องถูกต้อ ง, อง ไ, ได้เลยอย่างเช่นว่าเดินไปตามห้างค่ะเห็นอุยานนี้อยากได้มากเลยแหมงเงินไม่มีจะขโมยปุ๊บหยุด ธรรมะกรรมฐาบอกว่าเอ๊ไม่ควรขโมยเราก็ไม่ขโมยค่ะเป็นต้น <Job S 1> ถ้าอาจารย์คะทีนี้มีอีกข้อหนึ่งของท่านผู้ฟังท่านนี้ <Gen. S 1> ถามว่าฤทธิ์เช่นการหาะเหินเดินอากาศมีจริงหรือคะอ๋อเรื่องฤทธิ์อย่างเช่นการหาะเหะินเดินอากาศนี่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะอว่าปาฏิหารเนี่ยมีอยู่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลถ้าพระองค์บอกว่ามีผลอย่างนี้ท่านจะต้องตรัสเหตุ ว่าเหตุของผลอย่างนี้คืออะไรค ร, คระตุ้าบอกเลยว่าการอิทธิวิธีเช่นการแปลงรูปเป็นหลายคนทําที่กําลังให้เป็นที่แจ้งเดินผ่านผนังเหมือนกับผ่านอาที่โ<ๆ>ลง่งๆธรรมดาเดินไปตามน้าําเหมือนเดินบนดินเนีนะมีอยู่มีอยู่เนี่ยปรารบเหตุอะไ ร, รก็คือปรารบเหตุว่าบุคคลคนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีสมาธิระดับหนึ่งระดับไหนก็ได้ตรัสเอาไว้ความละเอียดของสมาธิตรัสไว้อยู่ แปล ว, ว่ามีว่าอย่างนั้นเถอะนะค ะ, ะถ้าตอ บ, บา่าณธงอีกแบบนี้เรียกว่าอิทธิพิธีในขณะเดียวกันพระรุชาฯก็ตรัสอีกบอกว่าคนที่มีศรัทธาเนี่ยเขาจะเชื่อว่าความเป็นเหตุเป็นผลอย่างเนี้มีคนที่มีสมาธินะจะมีอิทธิวิธีอย่างนี้นะมีอยู่แต่คนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยจะไม่เลื่อมใสแล้วก็จะกล่าวอย่างนี้บอกว่า โอ้ไอวิชาของพวกรามเนี่ยในภาษาบาลีเขาใช้คําว่าคันธารีวิชาที่ชื่อคันธารีก็มีอยู่อจริงๆไม่ได้มีอะไรวิเศษพิสวรรค์จะพูดลักษณะนี้คเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเลยรู้สึกขยะกขยงเกลียดชังต่อพวกอิทธิวิธีเหล่านี้ถามว่าเอาอยัางในปัจจุบันน่ะเราพูดง่ายๆเลยยังเดวิดพอเพอร์ฟิลใครรู้จัก บ, บ้างอนักมายากลที่ชื่อทางของโลกเขาสามารถทําช้างทั้งตัวหรือเครื่องบินทั้งลําให้หายไปได้อืม มันเล่นกลเฉยๆนะไม่ได้กล่าบเพุของสมาธิคืออะไรค่ะหรอเมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอ๋อไม่ใช่หรอก็เล่ทำรห้คนธรรมดาก็เลยจะจะทำให้อ่าเขาเรียกว่ามีความเสื่อมเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็เลยแนะนำให้แสดงค่ะก็ถ้าจะสรุปคำถามนี้คำตอบคือมีแต่พระพุทธองค์ไม่สนรเสริญต่อสรรเสนแบบไหนเอาสั้นๆเลยค่ะ อิทธิพิธีมีสมอย่าง อ, อิทธิฤทธิ์เนี่ยมีสมอ ย, อย่างอย่างแรกคืออย่างที่พูดเมื่อสกักครู่คืออิทธิวิธีอย่างที่สองเนี่ยอัธเศนาคืออิทธิปาฏิหาริเมื่อสักครู่นะอย่างที่สองคืออัธเสนาปาฏิหาริคือการภายใจได้รู้ว่าคุณโยมติ๋วคิดอะไรอยู่นะซึ่งอันนี้พระรูชาก็ไม่แนะนําให้แสดงอย่างที่สามที่ทรงแนะนําคืออัธเสนาอนุสาสนีปาฏิหาริคือการแสดงธรรมนั่นเองค่ะ ะะงั้นวันนี้ได้ความกระจ่างแล้วก็นมัส ก, การขอบคุณพระอาจาร ย, ย์ไพบุตรอภิปุลโนวัดป่าดอนไฮโซในช่วงของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนะคะนมัส ก, การค่ะ